เรื่อง อ, งอาหารเนี่ยเหลือเฟือจริงๆเหมือนกันแต่ก็คงจะเป็นบุญบุารมีของคุณแม่ที่ท่านได้ทําไว้ดีแล้ว เ, เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหมือนกันแต่ใครมาที่ไหนก็กลัวคนนั้นอดกลัวคนนี้อยากต่างคนก็ต่างขนมาอกลัวต่างกลัวออกมาช่วยเหมือนกันแกลัวคนอื่นจะอดเหมั้นกันอย่างน้อยก็เผื่อคนอื่นเหมือนกันกลัวคนอื่นจะอดเผื่อมาคนนั้นก็เผื่อมาคนนี้นก็เผื่อมาผลที่สุด อาหารก็เลยโอ้โหเนีมาเล่นทันทึกแล้วงั้นแต่อุ น, นาฟ้าคัาง่งเรื่องอาโหงอาหารใส่บาทจนคนขนไม่หวัดไม่ไหวเหมือนั้นแต่คนใส่บาทคนใส่บาทโอ้โหหลงพ่อเองเกือบจะเป็นลมเหมือนกันแต่ตามไม่จริงเราก็คาดไม่ถึงว่าคนจะมากถึงขนาดนั้นบินทบาทสายเดียวก็พอแล้วล่ะบินทบาทสายเดียวออกทั้งหน้าวัดเลยเดินตามหลังกันพระร้อยี่สิบกว่าองค์ แต่ตามไม่จริงถ้ากดมากขนาดนั้นนมันน่าจะแบ่งเป็นสองสายซ้ายและขวาวงั้นออกไปทางซ้ายและขวาแต่เนออกไปสายเดียวเดินคนใส่บาทท้ายสายเดียวยาวเหยียดเลย้โอ้เดินวินาบาทมันไม่ใช่เดินแบบนั้นนะเดินค่อยย่องย่องไปมันจะเป็นลมเอางั้นนะพวกที่ใส่บาต น, นก็ยืนเป็นแถวเป็นตับๆมากสรุปแล้วก็คือมาก มากตามภาษาบ้านนอกกว่างั้นไม่ใช่มากคนในเมืองแต่คนในเมืองก็มีอยู่แต่กรุงเทพบ้างจากมุกดาหารบ้างจากถิ่นไกลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมากคนในเมืองไม่น่าจะถึงยี่สเอร์เซนต์ว่างั้นจากนั้นก็มีคนท้องถิ่นมากแต่ตามเป็นจริงหลวงพ่อเองก็อยากจะให้เป็นคนท้องถิ่นนะมากถ้าหาว่าท้องถิ่นเขารักในเจดี เขาให้ความสำคัญในเจดีต่อไปมันจะแน่นหนามั่นคงแต่ถ้าว่าคนในท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจมีแต่ทนคนทั้งอื่นมาให้ความสนใจคนทั้งอื่นจะไปได้กี่น้ำพอไปไปไปสักชั่วระยะหนึ่งเขาก็ไปไม่ไหวแล้วมันไกลผลี่สุดก็เลยขาดช่วงเพราะคนในท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสำคัญแต่อันนี้หลวงพ่อน่นั่น อยากจะให้คนท้องถิ่นให้ความสําคัญตั้งแต่ริ่เริ่มหลวงพ่อเองพอจะวางผังปักเสาเข็มนะหลวงพ่อกับโปรโมทให้ใครต่อใครเข้ามาร่วมมารู้จักจากนั้นเขาก็สม่ําเสมอมาตลอดพอจะประกาศงานทีไรเขารู้สึกว่าคนในถิ่นนั้นให้ความสนใจอย่างมากแห่แห่นกันเข้ามาพอจะถึงใกล้งาน อาหารการบริโภคไม่รู้ฟักไม่รู้แฝงไม่รู้ข่าวสารอาหารแห่งค้นเข้ามาตอกก่อนนะประกาศกองพลินทอนทึกว่างนะั้นจากนั้นก็ทำเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเหลืออยู่เหลือกินสรุปแล้วก็คือบารมีของคุณแม่นะาบารมีของคุณแม่แต่ว่าสมัยก่อนก่อนที่คุณแม่จะมรณาภาพหนะลวงพ่อยังจาไม่ลืมโอ้โหหลวงพ่อ น, นี่หนักใจมากว่างนะั้น ถ้าขุดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นน่ยไม่ต้องจะจะว่าเป็นแสนเน่ยเราจะใช้น้ํำยังไงในงานศพของคุณแม่เนี่ยมันกันดานถ้าเกิดในถิ่นนั้นผลที่สูก็เลยว่าจ้างเรปชเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเพราะงั้นไปขุดเจาะบอ่อบาดาลเอาเครื่องมือแบบทันสมัยที่สุดในยุคสมัยนั้นสั่งขึ้นมาจากลบบุรีเลยในถิ t นี้ไม่มีเพาะงั้นพอเล็บลบุรีแถบนั้นมันเป็นบ่อหินเนี่ย ต้องใช้เครื่องมือแบบเจาะหินเหมือนกันก็เลยบอกวันตรงเนี้ยมันเป็นหินนะมันเขาก็เลยสั่งขึ้นมาจากลบบุรีขึ้นมาก็มาเจาะจที่วัดของคุณแม่เจาะบ่อหนึ่งก็แล้วบ่อสองก็แล้วบ่อสมก็แล้วบ่อสีก็แล้วไม่ใช่บอ่บอตื้นๆนะบ่อหนึ่งร้เ้าเมตรห้าสิเซนลึกหินก้อนนั้นยังไม่ทะลุเหมือนกั น, นหินหนาขนาดนั้ น, นหินเห็นตับไก่นะไม่ใช่หิ น, นหินแข็งมากเหมือนกันเตะ แต่เครื่องมือที่ทันสมัยตัวนั้นเคืนเดียวเจาะเขอลงไปร้อยเก้าเมตรห้าสิบเซนเลไม่ทะลุหินพวกรถยอมแพ้เลยว่างนั้นแต่ผลที่สุดกอเจาะบ่อสองบ่อสามบ่อสี่โอยถ้าบ่อธรรมดาผมเจาะ บ, บ่อที่สองไม่ได้พวกผมไปแล้วอันนี้ของหลวงพ่อจะทำยังไงอ้าวใจเย็นๆหลวงพ่อก็คุณแม่เอ้ย อันนี้เป็นข่าวสุดท้ายของคุณแม่แล้วนะนะจะได้ใช้น้ําลูกหลานมาอย่างในงานของคุณแม่เนะ่ยไม่หาน้ําจะใช้ก็ไม่ได้อย่างของบารมีของคุณแม่จงช่วยอย่าให้น้ํำอดอยากการเรื่องน้ําเป็นปัจจัยสําคัญมากถึงจะไม่ไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรนะ่ะเรื่องน้ำหนี่งมันจําเป็นต้องได้ใช้ทุกคนขอให้คุณแม่อืบารมีของคุณแม่ช่วยหาน้ําให้โดยเท่นานะ เพราะว่าจะได้เคยเอาเอ า, เอาตรงนั้นขุดเป็นสีบ่บ่อเลยเออเอาตรงนี้ะหลวงพ่อก็แบบ ส, สุมสี่ชี้ไปเลยเหมนกันเขาก็ขุดอา้าถ้าหลวงพ่อเอาไม่ได้บอ่อนี่ก็ผมไปเลยนะบาดเนี้ยเหมือกัเราไปชอเขาผมมาอยู่นะบาดนีเ้เป็นบอ่อสุดท้ายแล้วนะเดี๋เอ า, เอาถ้าไม่ได้บอ่อนี่ก็ไปว่าหันหลังให้กันแล้วพวกเราปะพอขุดลงไปจอก็ไปเจอหินอีกอย่างเก่า อพอถึงเม็ดที่แปดนะไหนเจอหินแล้วอย่างเก่าเพราะฉะนั้นพอขุดลงไปถึงเม็ดที่สิบแปดนะหลวงพ่อจําไม่ลืมถึงขนาดนั้นมองว่ามันมันมั น, ม, นมันถึงใจเพาะฉะนั้นมันขุดไม่รู้กี่บ่อแล้วกันะเอพอถึงเม็ดที่สิบเ็ดสิบแปดนี่นะมันเสียงดังคลุกคลนะักคลุกคลักาะฉะนั้นพอจากนั้นน้ำพุ่งขึ้นมาเลยเพรางฉะนั้อน้ําพุ่งขึ้นมาเลยเป็นบ่อหินแล้วงะั้น โอ้ทางรประชงรประชอนี่นเฮโรกันเลยนี่จากนั้นมาเดี่ยวไม่ได้ใช้น้ําหล่อเลี้ยงลงไปเล ย, เลยนะมีแต่ใช้น้ํามันพุ่งขึ้นมาตลอด น, อ น, นี้ก็ได้ใช้น้ํางานศพของท่านก็นได้ใช้น้ําบ่อนี่ได้ใช้ก็ทางทุกวันนี้น้ําบ่อนี่เลี้ยงคุณแม่ฉีดเลี้ยงในงานวันนี้ข่าวนี่ก็ไ ด, ได้ใช้น้ําบ่อนี่เลยสูบขึ้นมาใส่ถังนี่แหละ สรุปแล้วก็คือเป็นบุญบา ร, รมีของคุณแม่สมัยท่านเป็นแม่ชีไปอยู่ที่ภูกเก้าท่านก็นั่งภาวนานะโอ้จะทํำยังไงนาะปูกเก้านี่หาน้ําไม่ได้ท่านว่าเทวดามาบอกท่านท่านว่าท่านบอกเนี่ยคุณแม่สมัยพ่อประเจกมาอยู่ในธรรมนี้สมัยก่อนตรงนั้นน่ะที่พลานหินตรงนั้นน่ะมันเป็นแอ่งหินอยู่นะ แต่เนี้มันมีนดินมันมีต้นไม้อยู่ในผลานหินนั่นแหละถ้าคุณแม่ขุดดินขึ้นมาเนนะัต้นไม้แถวนั้น่ะมันมันอยู่ในแอ่งหินนะาแล้วก็ขุดลงตรงนั้นลนะ่ะเอาดินขึ้นมามันก็จะเป็นแอ่งหินเป็นเป็นบ่อเลยงนะันเป็นบ่อน้ำใครเขามเป็นบ่อหินเหมือนกันเป็นที่เก็บน้ำไม่ใช่น้ำไหลเข้ามานะให้เขาเป็นกระบอกหินนะ่ะแต่มันใหญ่เด้ วัดชุนการต้องสี่หเมตรนะลึกตั้งเกือบแปดเก้าเมตรนะมันไม่ใช่ตื่นเหมือนันแต่ถ้าเอาเชาวบ้านมาขุดโอ้โหเจ็ดแดแปดบ่อเท่านั้ น, น จ, จะเนีพอตกน้าฝนมันน้ำไหลออมาเต็มเพียบเลยก็เลยได้ใช้น้ำอสมัยนั้นได้ใช้น้ำคุณแม่นั่นตลอดมาเลยอย่างั้นะทุกวันนึงอาจจะได้ใช้อยู่ก็ไม่รู้นะทพูกเก้านะเนี่ย อันนี้แนหะที่คุณแม่ไปอยู่ในภูผาปา่าไม้สมัยก่อนในท่านก็ได้สั่งสมบา ร, รมีของท่านมาพอสมควรคพนั้นบา ร, รมีสมควรที่จะสั่งสมมันการทําบุญนําสุกมาให้สิ่งบางสิ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่ถึงจะตาจวนตาแจมาแล้วว่าขับขันมาถึงข่าวขับขันมันกันแต่เราก็ระลึกถึงบุญคุณ บุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาไว้ดีแล้วนะมันคาดไม่ถึงมันคาดไม่ถึงสิ่งนั้นมันจะเข้ามาโดยที่ว่าคาดหมายเกินความคาดหมายของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นผ่านไปได้จุดนี้หลวงพ่อเนี่เชื่อแล้วเกินก็จนัเชื่อแล้วเกินจุดนี้อย่าหลวงพ่อเคยถึงข่าวขับขันมาไม่รู้เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง จะจัดงงจัดงานเรื่องจะตุกปัจจัยจะได้มาอย่างไงคู่คนจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไงหนับใจวะเอาอย่างไงกันเพราะผลที่สุดพอพูดพูดพูดไปเนต่ตั้งจิตให้แนวแน่ซะก่อนนะตั้งจิตให้แนวแน่ซะก่อนจากนั้นค่อยพูดไปจะหทุกสิ่งทุกอย่างมันหลั่งไหลมาเองหลั่งไหลมาเองทุกอย่างก็เรียบร้อยราบรื่นไปไปได้ดีเพราะนั้นหลวงพ่อจึงว่าบุญกุศล ควรสั่งสมอย่างยิ่งบรารมีเนี่ยควรสั่งสมอย่างยิ่งควรสั่งสมบุญบุญเนี่ยเป็นพลังเป็นพลังแ ต, ต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มันเป็นพลังเป็นพลังใน จ, ใจิตใจเป็นพลังที่จะนำความสำเร็จนั้นมาให้เพราะนั้นงานของคุณแม่ที่พวกเราได้ไปสร้างบรารมีเนี่ก็สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีแต่หลวงพ่อเขายังบอกเลยว่าเออ คุณแม่เป็นผู้หญิงนะลูกหลานผู้ใดเขาตามขึ้นไปกราบไปไหว้รูปคุณแม่ตั้งจิตอธิษฐานเอานะขอพรถ้าเราสั่งสมถ้าเราทำบุญก่อนนอย่างขอพรไม่ใช่ปุบ ป, ปับไปขอพรไม่ได้นะต้องมีการแลกเปลี่ยนถ้าว่าเราใส่บาตรพระประเยพุทธเจ้าแล้วก็ยังคอยตั้งจิตอธิษฐาน เกิดมาพบใดชาติใดอย่าให้ผู้ฆ่าอดอยากเด้อด้วยอานิสงการทําบุญหน่อยเพราะพระปฏิเจกับเอวังโฮตุเอวังโฮตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จน่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราไปทําบุญไปกราบไปไหว้ออกดอกไม้บูชาแะระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุน้าคุณแม่ผู้ฆ่านี่ยมีใจไม่สงบไม่สบายมีความทุกข์ในจิตในใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ ขอให้มีอุปสรรคตนให้ผ่านพ้นไปได้ฮตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นคุณแม่ก็จะประสาทพรให้พวกเราพรานั้นพ่อแมนะ่ให้พรง่ายกว่าพ่อนะะพอ่อโดยมากขอพอรจากพอนะ่อโดยมา ก, ก็ต้องเอาไปทําไมเหมือนกับไปขอเงินซื้อขนมอย่างนั้นอเอาละไม่ให้ละเสียงเงินไม่เกิดประโยชน์ พ่อเนี่ยใจแข็งนะไม่ให้นะแต่แม่เนี่ยถ้ายังไงก็ต้องแบ่งให้นิดนิน้อยๆเพรานั้นแต่แม่เน่ยใจอ่อนเพราะฉนั้นพวกเราหน่าขอพรอจากแม่น่าผู้ใดได้เหรียญคุณแม่เลยก็เก็บไว้ให้ดีนะารักษาไว้ให้ดีอ<ม>ต่อไปอาจจะเป็นสิริมงคลขึ้นมาก็ได้นะสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนว่ามันก่อนเ น, นี่ยนายช่างบอกว่าท่านอาจารย์ผมมีเหรียญคุณแม่เหรียญคณะกรรมการแต่ส่วนอื่นผมมยังไม่ได้นะอ้าว ทำไมเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพกำลังหาเหรียญคุณแม่กันวะเขาไปทําอะไรเขาไม่รู้นะรู้สิว่าคนสนใจนะนะ่ยท่านอาจารย์อ๋อเหรียญคุณแม่จะดังเลยเนี่ยวะแต่ว่าธรรมะของคุณแม่เนี่ดังแ ล, ล้วล่ะอ่ดังแ ล, ล้วล่ะไม่ดังได้ยังไงกระดูกของท่านเป็นพระธาตุเนี่ยเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชากระดูกของท่านเป็นพระธาตุได้คุณแม่เนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุก็คือพระอระหรันต ไม่ได้เลือกหญิงเลือกชายถ้าผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบแล้วสําเร็จได้ทั้งนั้นในครั้งพระพุทธเจ้าเห็นไหมพิกษุนีพิกษุนีเป็นพระหรหัน์มีตั้งมากมายหลายองค์ที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลมรรคผลไม่ได้เลือกหญิงเลือกชายถ้าปฏิบัติถึงที่แล้วถึงจุดจบแล้วสําเร็จมรรคผลได้ทั้งนั้นเวัวนนี้หลวงพ่อได้พูดปัญญาเกี่ยวกับการเป็นมาของงานของคุณแม่ที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็ เห็นแล้วก็ปรับปร่มใจพอสงควรกับพี่น้องประชาชนญาติโยมที่มาร่วมงานเมื่อวานมันก่อนคนในถิ่นคนพื้นฐานแล้ว่าคุณชาวบ้านมามากทีเดียวกันเอารับพรในเสนอนมโมตนาให้พร